วความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็ใครจะประรบในยะของนิโรธศัตว์อีกชุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายคือหมายความว่าปฏิบัติง่ายขึ้นแต่แนวจริงๆก็คือแนวของ ตะทังการนิโรธคือดับกิเลสด้วยองค์ธรรมนั้นนั้นแล้วก็วิคัมพนะนิโรธก็คือดับด้วยการจเจริญสมถนกรรมฐา น, ฐานาจะเน้นไปในประเด็นแรกคือท่านเรียกว่านิสสารณิยธาตุคือธาตุที่เป็นเครื่องนำออกจากกิเลส คือกิเลสกับธรรมะนี่ที่จริงอยู่ตรงกันข้ามกันคล้ายๆกับมือกัสว่างเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วเป็นปฏิปักษ์ของกันหลายการเมื่อฝ่ายหนึ่งปรากฏอย่างฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ปรากฏโดยจะถูกขจัดออกไปจากฝ่ายที่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่เราพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่นี่ในที่เนี้ยในสังคีติสูตรกันได้แสดงถึงนิจเนิยธาตุไว้หกประการก็เป็นจริงที่จริงก็เป็นแนวเจริญกุศลนั่นเองคือแนวการปฏิบัติที่ส่งจำแนกแสดงนี่มันหลายวิธีแต่ว่าผลมันเหมือนกันวิธีที่เต็มเต็มยศจริงๆ น, นะะหมายความว่าปรับมาจากสภ า, ภาพแวดล้อมเลย แต่ว่เป็นล้อมก็มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตจิ่งไวล้อมที่มีชีวิตจะต้องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติพัฒนาตนเองของบุคคลเหล่าเองสิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องมีลักษณะเกื้อกูลคนนี้ดูตัวอย่างในกรณีของมงคลละสุดในหกข้อแรกนะ เราจะเห็นว่ามันเป็นปัจจัยเสริมอยู่ข้างนอกคือเสริมหรือไม่เสริมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ได้หรือไม่ได้แต่จริงมันก็เป็นควาวันอย่างนั้นเองคือโลกมันมีมาก่อนที่เราจะเกิดสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่ก่อนที่เราจะเกิดแต่ปัญหาว่าเราฉลาดเลือกหรือเปล่ารู้จักถึงคุณถึงโทษของสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าแต่เรารู้คุณรู้โทษเราก็เด็กนี้ได้ ในส่วนที่เป็นโทษแล้วเข้าหาส่วนที่เป็นขุนได้จะได้ทรงแสดงตังการไม่ครบผ่านก็หมายความว่าต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้ได้ถึงแต่เราไปครบผ่านไปแล้วมันวิธีชีวิตมันหักมุมแล้วมันเดินไปอีกด้านหนึ่งหรือแทนที่จะไปด้านขวามันก็กลับไปด้านซ้ายมันก็เลิกพูดกัน โดยมานับดึงที่การก็ผขปสมาคมกับบัณฑิตคือก็ผขปสมาคมเป็คนดีบัณฑิตนั้นก็อยู่ภายในครอบครัวนั่นแหละคือพ่อคือแม่ของเราเนี่ยปู่ย่าตายายแล้วก็ขย า, ายาไปจนถึงบัณฑิตในระดับที่ประ น, นีขึ้นไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องเจริญเติบโตมาทํากรามบัณฑิตมีพ่อแม่เป็นคนดี มีคนรอบๆอบข้างเนี่ยเป็นคนดีมึงก็จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้เราได้เป็นคนดีได้ง่ายแล้วก็ยกย่องชื่นชมบูชาสักการะให้ความเคารพนับถือแก่คุณที่ควรแก่การเคารพนับถือยกย่องบูชาจะเรียกว่าปู่เจนีบุคคลของสังคม พันก so so ่อนได้อ่านหนังสือของไมเคิลไรเขาเป็นคหลังนะเข้าใจว่าเป็นอเมริกาแล้วเขียนลงในศิลปะวัฒนธรรมในบอยก็ความคิดก่อนเห็นเขาก็แปลกคือเขาต่อต้านการไหว้การกราบตามประเพณีไทยถือว่าคนมีศักดิ์และจิตเสมอกันคือไม่ควรจะไม่ควรที่ใครจะไหว้กราบใคร แอ้มันเป็นการแสดงถึงคุณธรรมภายในใจของเราออกมาแล้วแต่ว่าชาติไหนก็จะนิยมอย่างไรนะฮะเราจะเห็นว่าวหว้กราบมันก็มีอยู่เยอะไม่ใช่เฉพาะคนไทยคุณอินเดียยิ่งแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงด้วยการจับที่เท้าแล้วก็ลูปหัวอะไร แ, ะแสดงความเคารพมันเป็นเรื่องการลดละา ม, มารณของคนเรานั้น แล้วก็การที่เราไหว้กราบใครได้เนี่ยแสดงจิตใจเราอ่อนโยนในขณะนั้นเราก็จะเดินกุศลที่เห็นชัดเจนนะฮะว่าจิตมันสงบจากกิเลสไปก็เป็นธรรมปฏิบัติแล้วก็เป็นบุญนะฮะส่วนอัิญญาณใหม่คือการประพฤติตนอ่อ น, น้อมถ่อมตนต่อคนที่ควรแก่การประพัติอ่อ น, น้อมถ่อมตนเออซึ่งถ้าก็เราทําได้แล้วกระจายออกไปมากๆเนี่ย มันก็ลดละมานาทิฐิของเราลงไปได้มากอย่างที้พระเจ้าทรงแสดงแก่พระมหากัสสปะซึ่งเป็นผู้เท่าแล้วนะฮะตอนทันบวตเนี่ยกระรับสั่งว่าดูก่อนกัสสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในพิสูจทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงกลาง้าหมายความมาให้ความสำคัญแก่คนทุกคน เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมส่วนตัวเราวนะ่นะครหรือคนเราจะ ก, กระด้างอยู่เสมอมันจะอยู่ได้อย่างไงมันก็ค้นนะฮะหรือคนก็สูงกว่าคนนะฮะมันไม้เหมือนเหมือนต้นไม้ที่โดดเด่นขี้นไปกว่าคนอื่นในสุดมันตักแข็งคนพรไปยืนประทัลมอยู่ต้นเดียวเนี่ยมันก็อยู่เป็นได้อย่างแล้วก็คือความคิดของคนหลังเขาคิดนะ คิดแต่ที่จริงก็ไม่ควรจะหันมาติเตียนเราบางคนเราว่ตถางทํากันแล้วคนละพื้นฐานความคิดอความรู้สึกนึกคิดกันคือคนถ้ารู้สึกว่าศักิ์สีทัดเทียมกันเนี่ยอาจจะเกิดอาการพองอาการเบ่งแต่รู้สึกตัวใหญ่นะฮะรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเราอาจจะชอบอย่างนั้น แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสูงมีต่ำโดยธรรมชาติเราก็เคารพกันโดยวัยโดยคุณแล้วก็โดยชาติะกุลซึ่งว่าชาติสกุลก็ไม่ใช่ว่ากันทั้งหมดหรอกมันก็ดูตามสมควรแก่กันดีแต่เน้นที่วัยกับคุณนี่มากแล้วโดยเฉพาะย่่งยิ่งคือตัวคุณคนที่เจริญโดยคุณความดีทั้งหลายเนี่ย แล้วต่อไปเราจะเห็นว่าค้ายู่ในท้องถิน่นสมควรแล้วก็มีพื้นฐานคือบุญกุศลที่ทําไว้ในการก่อนเดี๋ยวมีความมุ่งมั่นมีเจตนารลุมที่จะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบจากนั้นก็เป็นระบบที่เราจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกัการศึกษาสารประกบฟังมากการฉลาดในศินละปะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็การมีระเบียบวินัยในตนเอง เวลาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ให้ออกมารูปสร้างสารรค์กับพูดจาวาจาที่เป็นสุภาษิตแต่อย่างนี้นก็เดินได้อีกแนวหนึ่งเนี่ยมันสภาพแวดล้อมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามป้องกันความชั่วพยายามละความชั่วพยายามสร้างความดีพยายามรักษาความดีอันนี้เป็นแนวโครงสร้างของสมรภูาน คือความเพียรสี่ประการในอริยมรรคในสมาวายมะอีกแดงหนึ่งเป็นการพูดถึงการละความชั่วประพฤติความดีที่เราเรียงตามอวาตารปฏิโมกข์ว่าการไม่ทำบาปทังปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การน้ำทิได้่องแผ้วแต่จริงจิตองแพนะ่วเป็นบทพิสูจน์นะเป็นบทพิสูจน์ว่าบาปก็หมดแล้วนะฮะบุญก็สมบูรณ์แล้ว แล้วยังหนึ่งก็พูดถึงละบาปบำเพ็ญบุญละลชั่วประพฤติดีแต่แนวตรงนี้พูดถึงการประพฤติดีแล้วตัวความดีที่เราสร้างขึ้นเองมันจะขาจาัดความชั่วให้นะใกล้ๆกับเรากินอาหารเนี่ยมันจะขาจาัดความหิวให้เราอาบน้ําเนี่ยมันจะขาจาัดความสกปรกให้เราเปิดไฟเนี่ยมันจะขาจาัดความมืดให้เป็นแนวเเรียกแนวภาวนา คือธรรมะเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามันมันมีตัวตรงกันค้ามมืดมืกุศลธรรมะก็อกุศลธรรมะหมายความว่ามือด้านสว่างก็มีด้านมืดด้านมืดก็มีด้านสว่างในทีน่นี้ท่านยกธรรมะขึ้นหกข้อแต่ว่าใช่คำแต่แนวนิโรธนะครับบอกว่าเจตวมุติที่ประกอบด้วยเมตตา หมายความว่าเจตมุตคือจิตที่หลุดพ้นจากความพยาบาทด้วยอํานาจของเมตตาเมตาก็ทาหน้าที่ขจัดความพยาบาทในตัวตรงนะฮะแต่ว่าโดยอ้อมเนี่ยก็ขจัดเยอะต้องฟังลองสังเกตดูใจเราเองก็ได้นะเจตมุตตคนนี้เรามีความเมตตาเขาถามว่าเราฆ่าเขาได้ไหม เาลักทรับย์ก็ได้ไหมเราล่วงเกินคู่ครองก็ได้ไหมเราโกโหกหลอกลวงก็ได้ไหมเรายุ่งเข้าเกิดความแตกแยกได้ไหมเราบ้าเมาเข้าด้สิ่งเส็บจิตได้ไหมมันไม่ได้เองฮรขบแสดงว่าจริงๆธรรมะนี่ยไม่ได้ละข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะหรอกแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันจะละโดยเฉพาะใล้ๆก็เราสายไฟเข้าไปเนี่ยมันจุดที่เราขู่กัดเข้าไปจุดที่เราสองเข้าไปเนี่ยมันจะสว่างมากเพื่อน จะจุดใกล้เคียงกับสว่างนะฮะลองสังเกตว่าจุดใกล้เคียงนั้นกับสว่างจะระวางน้อยลงมาน้อยเพราะมันพลังก็แสงสว่างนั้นไม่มีกำลังมากพอที่จะจัดความมืดซึ่งมันไกลออกไปแต่ว่าเราก็เห็นความสว่างเพรา ะ, ะความพยาบามเนี่ยได้แก่การไม่พอใจไม่ยินดีความโกรธความประทุษร้าย ความอาฆาตความจงเวรแล้วก็กลายเป็นพยาบาทต้องการจะทําลายล้างต้องการที่ประทุษร้ายปลุกใจเจ็บว่าคนนี้ได้ทาอันตรายต่อเราคนนี้ทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราหรืคนนี้กําลังทำอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา หรือว่าคาดว่าคนนี้จะต่อไปนะฮะอาจจะอาจจะก็ได้ต่อไปก็ได้เราคิดตัวเองนะเราปรุงเองสร้างขึหมาเอ ง, ง, เองว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อยาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นพวกเป็นเพื่อนฝูงเป็นกำลังให้แก่ศัตรูของเราโดยก็ทํำลายล้างเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอนะฮะ แต่เราก็ตั้งตัวเป็นความคิดในแนวปฏิเดชการทีนี้กรุณาเนี่ยแปลว่าความสงสารต้องการจะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ลักษณะของความคิดเหล่าเนี้ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันขจัดตัววิหิงสาหรือความคิดเปียเปี่ยนเต็งฟังาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในตัวเองบางครั้งบางคราวในเราเห็นเหตุการณ์บางอย่าง จะสมมติว่าคนทะเลาะ ก, กันแล้วตัวหนึ่งมันใหญ่คนหนึ่งมาตัวมันโตคนหนึ่งตัวมันเล็กอยวคนตัวโตวก็ซ้อมคนตัวเล็กนะฮะคือถ้าคนขาดการุณาแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกสะใจเพรเชียร์กันเป็นกันใหญ่แลนวหนึ่งคนเชียร์มวยนะฮะเวลามวยต่อยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เชียร์ต่อยให้ตายเลย แต่ถ้าคนที่มีใจกรุณาเนะี่ยเขาจะเกิดสงสารแล้วรู้สึกสลดใจนะฮะที่ผู้ใหญ่ดังแกเด็กคนตัวใหญ่ดังแกคนคนตัวเล็กทีนี้ต้องบกว่าใจเราไม่นั่นจริงๆนะฮะจะทำยากแต่ใจเราไม่มีพื้นฐานเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่ามันชอบซ้อนเติม ชอบดูความพิบัติเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นผลข่าวคราวทางสือเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าจะไม่ค่อยสร้างสรรค์นนะโดยเฉพาะข่าวข่าวหน้าหนึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นดาของหนังสือพิมพ์นะแต่ข่าวมันจะออกมาในรูปของอากรรมไม่ค่อยมีการส่งเสริมสร้างสรรค์นสนับสนุนให้เกิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ต่อไปก็คือมุติตานะมุติตาเนี่ยมันขัดจัดอรติคือความไม่ยินดีแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นฤิ์สยาเานะฮะถึงจุดหนึ่งจะเป็นฤิสยเห็คนคน อ, อื่นได้ได้ดีเราไม่ยอมยินดีด้วยแต่ว่าถ้าคนเหล่านั้นเราไม่ชอบนะฮะเราอาจจะริษยาก็เขาด้ยซ้าไป แต่ถ้าเรามีมุติตาจิตเนี่ยมันจะพลอยชื่นชมยินดีกับความดี บ, บทกลุ่อื่นๆที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรไม่เหนเหนื่อยอะไรเนี่ยคือทาใจสบายๆก็ชื่นชมกับเขาแสดงความยินดีกับเขาที่เขาประสบความสําเร็จประสบความจเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นแต่ถ้าใจเราไม่มากไปด้วยเมตตาซึ่งเป็นฐานเนี่ยเรามักจะทําไม่ค่อยได้มักจะแวบไปทาง อรติคือไม่ยินดีหรือว่าริษยาเสียก่อนแล้วอุเบกขาเนี่ยมันจะทำหน้าที่สลัดออกซึ่งราคาระอุเบกขาในที่นี้หมายถึงการที่ใจไม่มีความยินดียินร้ายโดยหลักจริงๆเมื่อเราไม่ยินดียินร้ายมันก็เชื่อความยินดียินร้ายก็ไม่มีอยู่ภายในใจ แล้วก็ทำหน้าที่กาะจัดราคาแล้วเมื่อกาะจัดราคาได้การจัดพวกนี้ยพวกอคติทั้งหลายออกไปได้ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญเจตวมุติที่ไม่มีนิมิตคือมองสปปรรพสิ่งโดยไม่มีนิมิตไม่มีความหมายไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดถือเจตว่ายึดถือว่าเป็นของเราอย่างเงี้ยเอของเราเนี่มันอยู่ตรงไหน และเป็นเราเนี่ยเราเป็นอยู่ตรงไหนเป็นตัวของตนของเราเนี่ยตัวตนของเรามานอยู่ตรงไหนคือเราอาจจะไปงานศพแล้วนึกเทียบเคียงนะฮะนึกเทียบเคียงเราก็ศพศพก็บเราเราก็ศพก็ได้นะฮะว่าไหนล่ะของเขาแม้แต่ตัวของเขาเองนะฮะก็ถูกเอามาไว้ที่วัด บ้านช่องงองหอสร้างขึ้นมาเองแต่บวตายขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ก็ามาทิ้งไว้ไปในวัดก็แสดงว่าของเราไม่มีอยู่จริงพอทำบุญกุศลนนติไห้จบแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกลับไปเอออยากของเราก็ทิ้งเราไปหมดเลยเพื่อนฝูงก็ทิ้งเราไปหมดเลยแล้วตัวตนก็เราล่ะ ในสุดมันไม่มีตัวตนให้ไปเกาะไปยึดไปอะไร่นะอย่างที่ท่านสอนให้เราคิดนะว่ายดได้ลาภไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังเอาไปเผาไฟก็สอนให้ถามใจว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าแต่สุขสนุกชะไหน จะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันจะามามันก็แสดงว่ า, วาเมอมองว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือแล้วในที่สุดมันก็จะมีการเพิกถอนความยึดถือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราไม่ได้เป็นอะไรจริงแล้วไม่ได้เป็นตัวตนของเราจริงๆแต่แน่นอนในช่วงที่เรายังเป็น ยัมีชีวิตอยู่เนี่ยการจะไปถอนขนาดนั้นก็ถอนยากหน่อยเพียงแต่ว่าทํำยังไงว่าถ้าเราเป็นก็พยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเดี๋ยวเป็นให้ชอบนะเป็นให้ชอบโดยธรรมนองของธรรมแล้วก็เป็นให้ดีเป็นให้เป็นหืออย่าไปยึดติดในความเป็นในช่วงตรงใดเราทํางานเราก็ทํางานจบก็คือจบ ในทำตัวเป็นคนละครลงๆบางครั้งบางคราวนี่เราจะเห็นว่าคนเราอยู่กันดีๆเนี่ยฮะพอมีตาแหน่งชั้นยศใหญ่โตขึ้นมันชักจะใหญ่อัตามันชักจะใหญ่คึดเปืนฝูงก็เข้ากลายไม่ได้พูดจากันก็ไม่รู้เรื่องและสุดก็ห้างเมือกันไปก็อยู่ไม่ได้เพราะการเพิกถอนเนี่ย ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายก็พยายามไจะเพิกถอนเพราะความทุกข์มันมาจากการยึดถ้าเราลดยึดสับ้างเนี่ยอย่างน้อยก็ปรับใจปรับใจยอมรับความจริงชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยมันผ่านการพละดพาดสูญเสียมาเยอะอาตมาเองแม่นั้นเราไม่ทัน พ่อเราก็ทําศพให้ลุงป้าหลายคนนะทํำศพไปเองอุปจายาอาจารย์เนี่ยทำศพเองนี่เยอะเลยคือตอนบอกว่าท่านท่านบางทีเนี่ยมันปุบปับเราก็จะงงนิดหน่อยแต่เสร็จแล้วเราก็ตั้งหลักหม่เพราะว่ามันถือเป็นเรื่องคติธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ทําหน้าที่ของเราในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านจากไปเราก็ทําหน้าที่ของเราเมื่อท่านจากไปท่านรับรู้หรือไม่รู้ก็ตามะเราก็ได้ทําหน้าที่ก็แล้วกันปัญหาสําคัญที่เราเป็นทุกข์นี่แต่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานะคันธาทุขากล่าวโดยสรุปนิ่จิตยึดมั่นหรือมั่นในขันธ์ห้าเนี่เป็นทุกข์ปัญญ์ยึดแต่ต้องรู้จักละรู้จักวางบ้าง คือ ย, ยัตยุธจนจนไม่ปล่อยวางคือของที่เราถืออยู่เนี่ยวางใชบ้างของที่เทินก็ปร่งใช่บ้างของที่แบกก็วางใชบ้างคือแม้มันหนักถึงคราวแบกก็คงต้องแบกนะฮะถึงคราววางก็ต้องวางในเราขนของจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยในช่วงขนก็ต้องหอบต้องหิ้วกันไปแต่พอถึงที่ก็ต้องวาง โดยเฉพาะการพระดพาดสูญเสียเนี่ยที่ทรงสองนนั้พิจารณาถึงเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องการพลาดพรากสูญเสียเนี่ยว่างมันเป็นเรื่องคติธรรมดาที่จะต้องเกิดที่ท่านบอกว่าเอวังธรมโมกือธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาโวสภาวะมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่สามารถล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ เพราะสิ่งยังอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่จะต้องแตกดับมันก็ต้องแตกดับจะป่วยกลาวไปใหญ่ถึงคนอื่นเราเองก็ต้องแตกดับเพราะแต่เราคิดได้ดีเนี่ยเวลาการพระธาสูญเสียที่จริงมันเป็นโอกาสโอกาสให้เราได้ทำหน้าที่ต่อคนที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับเราจนถึงตัวท่านตายจากไป เราก็ทําหน้าที่โดยความรักโดยความกตัญญูด้วยความสํานึกคุณด้วยความวค า, มคคามรบนครืออะไรก็แล้วแต่แต่ะหมายความเรารู้สึกดีกับท่านเมื่อท่านตาจากไปเราก็พยายามทําบุญทำกุศลนุทิพย์ไปให้ท่านก็ามาเลืกอีกทีหนึ่งนะฮะสมมุติว่าแม่ตายก่อนพ่อตายก่อนกับเราตายก่อนเนี่ยใครดีกว่า แต่านก็แก่เท่าแล้วก็ถึงคราวที่ท่านจะต้องจากไปเราก็ทําหน้าที่ของลูกแต่ถ้าเราจากไปนี่ใครจะไปทําดูศพพ่อแม่แล่ะแต่เรารู้ตัวนะว่าเรารู้ตัวจะตายเนี่ยเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงท่านอยูแต่ว่าถ้าท่านตายไปก่อนเราก็ปรองตกได้เราก็ทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมจะตาย ตายเมื่อไรก็เอากันคือเมื่อถึงคราวจะเป็นต้องคิดคิดแต่มันได้ประโยชน์คิดแล้ววิตกกังวลคิดแล้วไปกระรุ้มไปเดือดร้อนเ น, นี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องฟังทั้งหลายแต่เราประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นแบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี